ท่านสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบการเรียนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดเรื่องสติปัฏฐานสประการนั้นประการแรกก็ขอให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำว่าสติปัฏฐาน คำว่าสติปัฏฐานแปลว่าสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานมีอยู่สี่อย่างด้วยกันคือหนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐานาสองเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานาสามจิตานุปัสนาสติปัฏฐานาสธรมมานุปัสนาสติปัฏฐานาทั้งสี่อย่างนี้แหละมีสติเป็นที่ตั้งเป็นประธาน ที่ว่ามีสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานก็คือว่าคือเป็นประธานในอารมณ์ทั้งสี่อย่างคืออารมณ์ก็คือกายเวทนาหิทธธรรมให้เราพิจารณาทั้งสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์ที่จะต้องใช้สติพิจารณาตั้งหน้าต่อสู้ในเมื่อมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็และการที่จะพิจารณานั้น ในเบื้องต้นต้องรู้เท่าทันต่อธรรมดาของมันซะก่อนว่าแต่และอย่างละอย่างล้วนมีอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปเหมือนกันหมดนะทั้งส่วนที่ชอบนะซึ่งอยากให้ทนอยู่นานๆหรือว่าส่วนที่ไม่ชอบซึ่งอยากให้อันตรธานหายไปเสียโดยเร็วเนะมื่อรู้เท่าเช่นนี้แล้วแต่นั้นก็พึงพิจารณาดูอาการของอารมณ์นั้นๆด้วยรู้ทัน คือรู้ชนิดของอารมณ์ว่ามีสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้ส่วนที่ดีถ้าชอบใจแม้จะให้คงอยู่หรือไม่อยากให้คงอยู่ก็มีเกิดขึ้นแล้วก็มีเสื่อมไปเองแม้ส่วนที่ไม่ดีไม่น่าปรารถนาถึงจะให้เป็นไปอย่างไรก็มีเกิดขึ้นก็เสื่อมไปเองอันนี้มันเป็นธรรมดาของอสังขารหรือว่าของทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อมีเกิดขึ้นนะก็ต้องมีเสื่อมไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้สติคำนดพิจารณาดังว่าวัานนี้ก็เรียกว่าเรามีสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานนะลักษณะของสติในที่นี้ก็เหมือนกับสติในธรรมีว ก, การะมากสองอย่างต่างแต่ว่าสติในที่นี้เป็นสติชั้นสูงนะเป็นสติชั้นสูง มีกายอเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ของสติที่จริงสติก็เป็นธรรมอันเดียวที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั้นด้วยสามารถแห่งสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งสี่คือเมื่อสติเข้าไปตั้งอยู่ในกายก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานอดังนี้เป็นต้นหรือว่าจะไปตั้งอยู่ในเวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน หรือไปตั้งอยู่ในจิตก็เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานไปตั้งอยู่ในธรรมก็เรียกว่าอาธรรมานุปัฏนาสติปัฏฐานนะฉะนั้นท่านจึงได้จําแนกออกเป็นสี่นะจําแนกออกเป็นสี่ก็คือว่าให้เราพิจารณาว่ากายก็สัตแต่ว่ากายนะกายก็สัตแต่ว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนา คือการสวยอารมณ์นะสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ในข้อที่สามก็คือให้พิจารณาถึงจิตเรียกว่าจิตตาอารมณ์อารมณ์ก็คือจิตในแก่ความนึกคิดต่างๆที่ไม่เลือกว่าจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน เรียกว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาส่วนธรรมมาธรร ม, มารมก็คือมีธรรมซึ่งไม่แก่เนื้อความที่รู้ได้ด้วยความคิดไม่เลือกว่าจะเป็นชนิดใดก็รู้ว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นสงบได้ทีนี้มาแยกขยายออกไปอีกนิดหน่อยว่าที่บอกว่ากายานุปัฏฐนา สติปัฏฐานคือให้เรามีสติพิจารณากายนะให้สติพิจารณากายกายก็คือให้มีสติพิจารณารูปนะให้ดูรูปของเรานั่นเองว่ารูปนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมประชมุมกันเข้านะก็เกิดเป็นรูปเกิดเป็นรูปหรือว่าเกิดเป็นสังขารขึ้ น, น เมื่อเป็นเช่นนี้แน่นอนที่สุดรูปและสังขารนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดนี่กายฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างยับยบก็คือว่าให้เราดูว่าไอ้รูปที่เราว่ามันสวยงามนั้นน่ะจริงๆแล้วก็มันไม่มีอะไรมันเป็นสภาวะธทําอย่างหนึ่งที่เกาะกลุมกันเข้าโดยที่ยังมีเหตุมีปัจจัย แต่เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยหมดปัจจัยกินไปมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นะไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นอันนี้ก็จึงเป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่พระองค์ให้เราได้เจริญอสุภนะนะอสุภะหรือว่าให้เจริญกายขัตตาสติการที่เราเจริญในสองบทนี้จะทําให้เรานั้นเข้าใจในสภาวะธรรมของสังขารโดยท่องแท้โดยที่ว่าไม่หลงติด นะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นนี่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ความเป็นจริงของสังขารแน่นอนที่สุดเราก็จะเกิดความรักความชอบความชังนะเกิดความไม่พอใจแล้วก็หลงไหลไปฝันเกี่ยวกับรูปนะเกี่ยวกับรูปไอ้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราขาดสติเป็นที่ตั้งเป็นประธานในการพิจรารณาฉะนั้นถ้าเราดูว่า ร่างกายของเรานี้ที่ประชุมกันด้วยท่าทั้งสีคือดิสน้ำไฟลมอันนี้แหละที่มันทรงเราไว้เกาะกลุ่มกันเข้ารวมกันเข้าถ้าหากว่าท่าสีนี้แยกกันไปมันก็อยู่กันไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นสังขารของเรานี้ถือว่าเป็นเหมือนกับภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดนะสกปรกนะสกปรกมากเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองนะเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองเรียกว่าดูแล้วก็น่าขยะขยง อันนี้ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาจริงๆแล้วจะเห็นว่าร่างกายของเรามันก็ไม่ต่างกับพวกอวัวพวกควายพวกสัตว์เดินฉานต่างๆนะพวกหมูเะไรนี่ยเราไปดูเขาทําหมูนะเราจะเห็นว่าของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปดูในแพทย์เขาผ่าตัดอ่าศกตำโรงพยาบาลจะเป็นด้วยการศึกษาหรือให้นักเรียนได้ศึกษากันแล้วก็ จะเห็นว่าร่างกายของเรานั้นมันก็เหมือนกับหมูนะไม่ต่างอะไรกันเลยอันนี้ได้อาตมาได้เคยได้ไปพิจารณาดูแล้วก็ขนาดเรียกว่าเรายืน อ, อยู่ไกลๆนึกถึกว่ามันก็เหม็นนะกลิ่นเหม็นคาวอยู่แล้วคนเร า, น เ, น า, าเนี่ยเหม็นคาวมากนะแต่ที่เราไม่ได้กลิ่นกันนี้เพราะว่าไอ้ตัวตันหามันมันครอบงำซะหมดตัวอวิชามันครอบงำทําให้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงเนีเราจึงหลงว่า อมันมันหอมมั่งนะอไอ้ที่เหม็นก็กลายเป็นหอมเห็นเป็นดีไปหมดเลยนี่ด้วยอํานาจของกิเลสตันหานั่นเองแต่จริงๆแล้วก็มันเนา่ามันเหม็นมากนะฉะนั้นเวลาในแพทย์เขาผ่านี้เราดูแล้วรู้สึกว่าเขาทําก็เหมือนกับว่าเรานี้เป็นเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งคือเขาไม่ได้ค่อยๆทําอย่างที่เราเนคเราคิดอยังไง น, นนะเวลาเขาผ่าตัดเขาทําแรงมากแล้วก็ทำไวมาก นายจะมองว่าค่อยๆ อ, อยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องใช้เวลานต้องใช้เวลาทําเวลาอืแข่งกับเวลาแต่นั้นบางทีเขายากผ่าสมองเนี่ยเขาต้องใช้เรื่อยนใช้เรื่อยๆ อ, ออกไปนี่แล้วก็เทออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสมองเนี่ยอยู่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเขาก็สํารวจ ด, ดูว่ามันมีอะไรชำรุดอะไรตรงไหนหรือร่างกายบางครั้งตรงอกนี่บางครั้งเขาต้องใช้ขวานผ่าก็มีเนตรงหน้าอกนี่นตรงอกไก่แล้วต้องใช้ขวานผ่า เพราะมันแข็งมากนี่ฉะนั้นลายพวกไส้เนี่เขาก็ดึงออกมาหมดเลยนะกี่ขดกี่ขดตัดไตไส้พุงม้าต่างๆแล้ว อ, ออกมาก้องข้างนอกหมดเลยแม้ดูแล้วมันก็น่าน่าเกิดความสังเวชใจจริงๆนะอันนี้แหละพระพุทธองค์จึงให้บรรดาพุทธบริษัทนี้ได้เจริญอสุภกรรมฐานนะว่าอาสุภสิท์เนี่ย เมื่อหากว่าจเจริญถึงที่ถึงขั้นแล้วจะทำให้เราในเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารได้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะมารู้เท่าทันว่าสังขารนั้นไม่เที่ยงสังขารนั้นเป็นทุกข์สังขารนั้นธรรมนั้นเป็นอนัตตานะคือธรรมนั้นเป็นอนัตตาเพราะว่าสังขารนั้นก็เป็นที่ประชุมของโรคต่างๆนะโรคต่างๆนี่อยู่ในร่างกายของเราในสารพัดโกนกะสารพัดโรคเลยฉะนั้น อันนี้แหละพอเรามองเห็นกันภายนอกจึงไม่ว่ามองมันปิดบังสิ่งนั้นหมดนะ sem sem. เรามองไม่เห็นจึงไม่เห็นเป็นเรื่องสวยงามเมื่อเราเห็นเป็นสวยงามเราก็ติดใจในรูปพอใจในรูปนะพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสนี่อันนี้แหละเป็นอิทธารมเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาที่น่ารักน่าใครหรือจะเรียกอีกในหนึ่งว่าเป็นอปิยอารมเป็นอารมณ์ที่น่ารักอ่าหรือเป็นอ่า สาธ า, าตรสาสาตรโรปารมอนี่คือเป็นอารมณ์รูปอันที่น่ายินดีอน่าปรารถนานี่เรียกว่าปิย ร, รูปสาธรูปรว่างันเถอะเป็นรูปที่น่ารักเป็นรูปที่น่ายินดีนฉะนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณาโดยท่องแท้แล้วมันไม่น่ายินดีไม่น่ารักทีนี้ถ้าหากว่าเป็นรูปที่ไม่น่ารักเราก็ไปพิจารณามันไปในเรื่องของโทสะไป เป็นโทสะไม่พอใจเป็นอนิถารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาเมื่อเห็นรูปไม่ดีก็ไม่ตองการได้ยินเสียงไม่ดีก็ไม่ต้องการได้กลิ่นไม่ดีก็ไม่ต้องการได้รสไม่ดีก็ไม่ต้องการสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจตนก็ไม่ต้องกานอันนี้แหละจึงทาให้เรานั้นเกิดความหลงไหลในรักก็ได้ในชังก็ได้ฉะนั้นเราก็วางใจเป็นกลางๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี้อ่าไม่ไม่เลือกว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่พระเทรเนนจีเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเนะี่ยเหมือนกันทุกโรคทุกนามเนะียทุกโรคทุกนามยาว่าแต่ประเภทสิ่งที่มีชีวิตเลยแม้แต่สิ่งที่ไ ม, ม่ไม่มีชีวิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปไม่มีอะไรจีรั ง, ย, งยั่งยืนเะนี่ยเหมือนกันแปลว่า มันไม่มีการรับรู้ไม่มีสัญญาเหมือนอย่าง อ, อุปาทินกะสังขารคือสิ่งที่มีชีวิตรหรือมีวิญญาณครองนั่นเองนะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าเราได้พิจารณาร่างกายของเราด้วยการมีสตินะมีสติเข้าไปพิจารณาโดยท่องแท้แล้วจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของที่เต็มไปด้วยหมู่หนอนต่างๆเต็มไปด้วยโรคต่างๆอันนี้เราพิสูจน์ได้ตามโรงพยาบาลนะ บางทีเราเห็นคนเดินตามถนนหนทางนะหรือว่าเดินตามวัดวาอารามต่างๆนี่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่เป็นโรคนูแต่งตัวกันสวยสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแต่ท่านลองไปนั่งดูตํำรงพยาบาลแมมรู้สึกว่าคนที่แต่งตัวสวยๆนะพอไปถึงนู่นแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีปัญหากันทั้งนั้นนะมีปัญหาเรื่องโรคภยคัยไข้เจ็บกันสารพัดเลยนะนี่ยบางคนก็แหมนั่งรถเก๋งไปอย่างดีเลย มีคนขับบางคนก็อนั่งรถแมยบางคนก่อนเดินข้ามรถข้ามเรือเนี่ยมีสารพัดทุกชั้นทุกชาติชั้นวันนะนะไอเรื่องการเป็นโรคนี่มันไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นคนวันลนะตามวันลนะสูงอะไรไม่จํากัดอ่าจะมียศตําแหน่งเป็นยังไงเป็นได้ทั้งนั้นนะเป็นได้ทางนั้ น, ะ น, น, นฉะนั้นให้สังเกตดูบางครั้งเนี่ยยิ่งคนมอีอยู่ในที่จเจริญ ม, มากๆเนี่ยแทนที่ว่าจะไม่ จะเป็นโรคน้อยเปล่ากลับเป็นโรคมากรู้สึกว่าผมด้านทานสู้คนบ้านนอกคลอกนาไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกเหมือนกันนะคนดามานอกคอกนา น, นี่รู้สึกว่าทนแดดทนฝนท น, ทนลมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ค่อยเจ็บปวดปวด่ปวยไข้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นนิดนิ ด, น ด, น ด, นดหน่อยหน่อยก็ไม่ต้องไปพึ่งพ า, าหมออะไรนะก็อดทนเอาบ้างแล้วมันเดี๋ยวก็หายไปเองนะหรือถ้าจะเป็นมากพอเรียกว่าล้ายไปเลยอาจจะตายไปเลยนั้นก็ได้ แต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงนี่รู้สึกว่าถูกไอ้ฝนนิดหน่อยก็เป็นวัดนะอะไรนิดหน่อยมันก็เป็นไปหมดเลยนี่อันนี้เพราะว่าคนมันนอกนั้นได้ออกกําลังอยู่ตลอดเวลาการทําไร่ทํานาทําสวนนี่แหละถือว่าเป็นการออกกําลังอย่างดีนะออกกําลังอย่างมาก <c oughs> ฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าหากว่าเราได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาแล้วก็จะทําให้เรานั้น เกิดการเบื่อหน่ายในสังขารได้เพราะมารู้ตามความเป็นจริงนะถ้าไม่รู้มันก็เบื่อไม่ได้นะเบื่อไม่ได้ฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราพิจารณาอสุภะกรรมฐานเวลาไปในงานศพต่างๆพระที่พิจารณานั้นมองไม่เห็นศพเลยนะมองไม่เห็นเห็นแต่ได้สายศีลแค่นั้นเองนะมันก็เลยไม่เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาก็ไม่เกิดขึ้นนะนะนิพพิทายานไม่เกิดขึ้นนะ ดีไม่ดีขอประทานโทษทําให้พระนั้นคิดไม่ดีพอจับสายสีทีท้งก็นึกถึงว่าเอ๊งานนี้จะได้สักยี่สิบาทหรือเปล่านะะจะได้สักห้าสิบบาทหรือเปล่านี่ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีการให้พิจารณาอสร้างศพกันจริงๆแล้วไม่มีใครคิดอย่างนี้หรอกนะไม่มีแน่เพราะว่าทุกทุกองคพราที่พิจารณานั้นจะมองไปที่ที่ศพอันนั้นนะมองไปที่รูปอันนั้นนี่นี่ทุกคนเห็นแล้วก็ จะต้องเปลี่ยนสีหน้าไปอีกอย่างหนึ่งนะหรืออย่างนั้นก็วางเฉยคงจะไม่มีการยิ้มแย้มแจ่มใสแนย่ยิ่งถ้าไปเห็นในซากศพที่มันเน่านะมันเน่าขึ้นอืดพองนะหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันนี่มันจะขึ้นเป็นอืดเป็นพองเป็นน้อนชยัยเป็นเละเป็นเกี่ยวเป็นคล้ำจนกระทั่งเรียร่าตนะ์แตกกระจายนี่หรือบางทีพระพุทธองค์ยังให้เราได้พิจารณาที่มันเป็นกระดูกเรียราต์บ้าง หรือกระดูกที่ซือร่างกายที่สับเป็นท่อนๆ น, นะสับเป็นท่อนๆ อ, อย่างเงี้ยแมเลือดเปอะเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราดูแล้วแน่นอนที่สุดคงจะไม่มีใครเกิดตัณหาเกี่ยวกับในเรื่องนี้ขึ้นมาได้เอที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกคนได้ดูพิจารณาโดยท่องแท้นะดูพิจารณาโดยท่องแท้เรียกว่าใช้สติพิจารณาก็จะทําให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแน่นอนนิพิท า, านก็เกิดขึ้นรู้จากความเบื่อหน่ายนะ เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารนั่นเองดฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้นี่แหละชื่อว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานนาการที่สองเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือให้เราพิจารณาอเวทนาว่าไม่จะจัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาหมายถึงว่าการสวยสุขสุข ก, ก็เรียกว่าสุขเวทนาทุ ก, ก็เรียกว่าทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกก็เรียกว่าอุเบคาเวทนานคือวางเฉย นั้นพวกเราก็มักจะติดในอารมณ์ะจะติดในอารมณ์ลหลงไหลในอารมณ์เมื่อหากว่าเราได้สุขเราก็ทําให้ทะเยอะทะยานอยากได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกะไม่รู้จักจบสิน้นอะไรที่มันเป็นสุขในเราก็ปรารถนาให้มันอยู่กับเราไปอ่ไอ้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วก็ยังอยู่ไปแล้วก็อยากได้ควายมากขึ้นไอีกเนี่ยมันเกิดตัณหาอยู่ตลอดเวล า, าไอ้ส่วนที่มันเป็นทุกข์เราก็ไม่ปรารถนาก็อยากจะผลักอยากจะขับไล่สาส่งให้มันออกไปจากเรานี่ ให้มันใกล้แสนไกลขึ้นไปอีกนี่นี่มันก็เรียกว่าเราจะเกิดตัณหาอยู่ตลอดเวลานะทั้งในส่วนรักในส่วนชังนี่มันจะคู่กันทําให้เรานี่วางใจไม่เป็นกลางทีนี้ถ้ากว่ามันมันไม่ดีไม่ชั่วเราก็วางใจเป็นกลาง น, นี่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นได้รู้ตามสภาวะความเป็นจริงว่า แม้แต่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะ ม, นนนะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะมีการเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเราไม่ควรไปติดนะไม่ควรไปติดควรจะทำใจให้อยู่กลางกลางนะควรทำใจให้อยู่กลางๆงก็คือเดินทางสายกลางนั่นเองอ่านะอย่างนี้ก็จะทำให้เราสบายใจได้นะในประการที่สามก็คือว่าให้เรานั้นอ่าพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องจิต เกี่ยวกับเรื่องจิตจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือว่ามีจิตเป็นอารมณ์อารมณ์ก็คือจิตซึ่งในแก่ความนึกคิดต่างๆความนึกคิดต่างๆให้รู้ว่าขณะนี้จิตเราคิดอะไรจิตเราคิดอะไรคิดจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะนี่ จิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่า iver, จิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะเราพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าเรามีสติพิจารณาตามจิตไ่รู้จิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าจิตเราเป็นอะไรถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดพิจารณาอย่างนี้เอาสติเข้าไปจับจดอยู่อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็จะบรรเทา ในความโลบความโกรธความหลงหรืออะสิ่งที่จิตนั้นไปติดไปหลงไปไหลไฟฝันตามอารมณ์ที่ตนได้นะึกคิดได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดขาดสติพิจารณาในเมื่อจิตคิดอะไรก็ปล่อยไปตามอารมณ์เลื่อนเลื่อนลอยอยู่เรื่อยอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าพวกฝันเฟื่องนะฝันเฟื่องคิดบางครั้งคิดมากก็จนปวดหัวนะคิดแต่สร้างวิมานในอากาศนะคิดอย่างนี้เขาเรียกว่า คิดป่าจะจากสตินะป่าจะจากเหตุผลแบบคิดแบบเลื่อนลอยคนมีจิตใจเลื่อนลอยมีความเมอไปในอารมณ์ต่างๆนะอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะไม่เป็นประโยชน์ในประการที่สี่ก็คือว่าให้เรานั้นได้พิจารณาถึงธรรมนะพิจารณาถึงธรรมว่าธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานนาะว่า สิ่งที่เราเนตเราคิดนั่นน่ะอ่ามันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยเรารู้อ่าอะไรที่มันมาทําใจให้เศร้าหมองที่เรียกว่าจิตานุปัสสนาก็คือความโลภความโกรธความหลงนะเรารู้เนีทีนี้พอเมื่อเรารู้เราก็รู้เลย ว, ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตของเรานั้นน่ะมันเป็นกุศลธรรมหรือ อ, อกุศลธรรมเนี่ยเรารู้ขึ้นทันทีเมื่อเรารู้อย่างนี้แน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าเราเอาสติเข้าไปจับนะเข้าไปตามรู้ นะเข้าไปตามรู้ในอารมณ์นะดังนั้นจิตของเรามีนิวรณ์ห้าก็รู้นะว่าขณะ น, นี้จิตของเราถูกนิวรณ์ห้าครอบงำนะถูกกรรมฉันท่ครอบงำความพอใจในกรรมคือในรูปในเสียงในกลิ่นอในรสนี่เรียกว่าเราพอใจในกรรมนี่เราก็รู้นะหรือว่าจิตของเรากําลังพยาบาทอาฆาตมาดร้ายผู้อื่ น, นหรือว่าจิตของเราเกิดความหดหู่งงเงาเหาวนอน หรือว่าจิตของเรามันเกิดความฟงซ่านลำคาญใจหรือว่าจิตของเราเกิดความลังเลสงสัยในอัตในธรรมในคุณประพุทธในคุณประทรรในคุณประสงค์อ่าอย่างนี้ถือว่าจิตของเรานั้นถูกในวรครอบงำฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาถึงธรรมอย่างนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจของเราก็จะทําให้เรานั้นรู้ตามสภาวะความเป็นจริงได้โดยไม่หลงแล้วก็หาทางป้องกันได้หาทางป้องกันได้ฉะนั้นอันนี้แหละเราจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าหากว่าเรายึดมั่นถือมั่นในในกายในเวทนาในจิตในธรรมแน่นอนที่สุดเราก็จะเกิดเกิดแต่ความทุกข์เกิดแต่ความโทษเกิดแต่ความเดือดร้อนความยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรานี่แหละมันเป็นตัวตันหานะอย่างนี้เป็นตัวตันหาทีนี้นที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อันนี้เป็นมานะนะอันนี้เป็นมานะอืม คือเป็นความถือดีอวดดีว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นะเราเป็นใหญ่กว่าเขาเรามียศตําแหน่งสูงกว่าเขาเนี่ยจะมาทํากับเราอย่างนี้ไม่ได้อะอย่างนี้เธอทําให้ตัวเองนั้นมีอัศมิตมีมานะขึ้นนะหรือว่าเรายึดมั่นถึงมั่นว่าตัวของเราเป็นอย่างนั้นนะตัวของเราเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เป็นทิฏฐิไปนะเป็นทิฏฐินะเป็นความถือดีอวดดีเห็นผิดนะว่าตัวเราเป็นอย่างนั้น ตัวเราเป็นอย่างนี้เป็นใหญ่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรเขาสมมุติกันแต่ว่าเราไปหลงนะไปติดในสมมุติอนะเมื่อเราไปติดในสมมุติแน่นอนที่สุดก็คือไปยึดมัน่นะไอ้ตัวยึดตัวอุปาทานนี่แหละมันทําให้ทุกขนะ์อย่างที่เคยบอกว่าทุกข์จะมีเพราะยึดทุกข์จะยอดเพราะพลอยทุกข์จะน้อยเพราะลดทุกข์จะหมดเพราะลนะอฉะนั้นเมื่อยึดขึ้นมาอะไราแน่นอนที่สุดก็จะเป็นทุกข์ขึ้นทันทนะีไม่เลือกว่าเราจะยึดในอารมณ์อะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเราไป น้อมเหน่วในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนที่สุดอย่างนี้มันก็เป็นสุขได้นะฉะนั้นเรามาดูคู่ปรับนะคู่ปรับของอจิตปัฏฐานสนะี่กายานุปสัสสนานั้นมีคู่ปรับก็คือสาถ้าหากว่าเราพิจารณาโดยท่องแท้แล้วก็สามารถที่จะปราบตัณหาจริตอย่างหยาบได้นะอย่างหยาบได้แล้วก็ละสุภาสัญญาได้เท่ากับว่าเป็นเครื่องถอนวิปะละ ในข้อที่ว่าทําในข้อที่ว่าทําความสําคัญในของที่ไม่งามว่างามนี่ในของที่ไม่งามว่างามนี่เป็นคูบจับเรื่องกายนะเพราะว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้เรานั้นลบปัญหาคือความอยากในกรรมหรือว่าอยากมีอยากเป็นหรือว่าอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือไม่ติดอยู่ในรูปนั่นเองในเสียงในกลิ่นในรสนั่นแหละ ก็จะทําให้ปราบให้เบาบางลงไปได้หรือหมดได้หรือจะทําให้เรานั้นพิจารณาว่าร่างกายจริงๆนั้น อ, อสังขารร่างกายจริงๆนั้นมันไม่สวยไม่งามนี่ก็จะทําให้เราถอนถอนให้ความยึดมั่นอันนี้จะได้เรียกว่า อ, อถอนสุภาษัญญาสําคัญในของที่ไม่งามว่างามเราถอนได้เมื่อถอนได้เราก็รู้ตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่งามส่วนในเวทนา ในข้อสองที่ว่าเวทนานุปัสนาเมื่อเราพิจารณาโดยท่องแท้แล้วก็จะทําให้เรานั้นปราบตัวตัณหาอย่างละเอียดนอย่างละเอียดแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราจะถอนวิปลาสในข้อที่ว่าความสําคัญในสิ่งที่เป็นทุกขว่าเป็นสุข เ, เสียไดย้คือตัวเวทนาบอกเลย ว, ว่าคือการเสวยอารมณ์สุขทุกอไม่สุขไม่ทุก เ, เมื่อได้อารมณ์สุขก็พยายามเกิดตัณหาอยากได้ต่อไปอีกนี่แหละ ถ้าหากว่าเราพิจารณาโดยท่องแท้โดยละเอียดแล้วก็สามารถที่จะปราบปัญหาจริญของคนเราที่มันมีนอนเนื่องอยู่ในจิตใจอย่างละเอียดให้เบาบางลงไปและให้หมดไปได้และยังเป็นเครื่องถอนวิปัลาสในข้อที่สําคัญว่าอสังขารเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองนะในข้อที่สี่ก็คือจิตตารุปัสนาเมื่อเราได้พิจารณาตามจิต ตามจิตเมืม่อหมายที่ว่ามีจิตเป็นอารมณ์ได้แก่ว่าความนึกคิดต่างๆอรู้ว่าจิตคิดอะไรจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตไม่มีราคาอะอก็รู้อย่างนี้แหละก็จะทําให้เรา nan สามก็จะทําให้เรานั้นสาม<ส>ารถที่จะละหรือว่าขจัดทิฏฐิอย่างหยาบได้ขจัดทิฐิอย่างหยาบอืมและยิ่งไปกว่านั้นก็จะทําให้เรานั nan ถอนวิตปราดก็คือว่าในข้อที่ว่า ทำความสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงคือหมายถึงว่าคนที่ยังติดอยู่ในจิตหรือว่าติดอยู่ในอารมณ์นนึกคิดตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปคิดว่าสิ่งนั้นมันจะต้องอยู่กับเรามันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปการได้คิดอย่างนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นนิจจสัญญาคือสําคัญว่ามันเป็นของเที่ยงมันเป็นของที่จะต้องอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆแล้วอารมณ์สุขทุกข์มันก็เปลี่ยนแปลงนะ ่ไ อ, อจิตที่เราคิดดีมันก็เปลี่ยนแปลงคิดไม่ดีมันก็เปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเน่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนนะนี่แหละจึงเป็นว่าอาอานิจจสัญญาฉะนั้นทําให้เราพิจารณาโดยสติปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงนะเราก็ถอนจากความที่เราเห็นว่ามันเป็นของเที่ยงออกไปได้นี่ปราการที่สี่ก็คือ เรามีสติพิจารณาธรรมว่าธรรมก็สักแต่ว่าธรรมนะไม่ใช่สัต์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็จะเป็นการปราบอทิฏฐิอย่างละเอียดได้ที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้บาบางเอาไปให้หมดไปและยังเป็นการถอนวิปราชในข้อที่ว่าความสําคัญว่าอสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเสียได้เนะีเพราะเราไปยึดมั่นถึงมั่นว่าอสิ่งนั้นอเป็น ตัวกูของกูเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมันเป็นอย่ Nowadays, างนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นถือว่ามันเป็นอัตตาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นอนัตตาถ้าเรามองเห็นว่าเป็นอัตตามันก็มองเห็นผิดเห็นผิดฉะนั้นคนที่มองเห็นผิดเขาเรียกว่าวิปลาสคือความเห็นผิดเห็นผิดในของที่ไม่งามว่างามเห็นผิดในของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นผิดในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นผิดในของที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนอย่างนี้เลาได้ชื่อว่าเห็นผิด นะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรานั้นก็มีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะไม่ได้าทาประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นก็จะทําให้เรานั้น อ, อลหลงไหลใฝ่ฝันเกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแน่นอนที่สุดใจของเราก็จะของเพ่่ไม่ได้ใจของเราก็จะเบิกบานไม่ได้ใจของเราก็จะมีแต่ทุกข์มีแต่โทษอยู่ตลอดทัางไปทีนี้ถ้าหากว่าจะมีปัญหาว่ า, าสตินั้นเป็นธรรมชาติอย่างเดียวไม่ใช่หรืออันนี้เราก็ต้องตอบว่าใช่ นะสตินั้นเป็นธรรมชาติอันเดียวนะแต่ที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั้นก็ด้วยสามารถที่สติที่เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์ทั้งสี่คือเมื่อสติเข้าไปตั้งอยู่ในกายก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเข้าไปตั้งอยู่ในเวทนาก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเข้าไปตั้งอยู่ในจิตก็เรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเข้าไปตั้งอยู่ในธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนี่จริงๆแล้วที่ว่ามีสี่นั้นเพราะว่า เป็นอารมณ์ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับเรื่องสังขารคือร่างกายแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะมีความสงสัยว่าสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เราจะเจริญในเวลาไหนอันนี้แน่นอนที่สุดเราจะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราก็ต้องเจริญ อยู่ตลอดเวลาหรือจะไปอยู่ที่ไหนเราพิจารณาอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าถ้าหากว่าพุทธบริษัทพากันเจริญอาสติปัฏฐานสูตรแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัทพากันเลยละไม่พากันเจริญอาสติปัฏฐานสูตรแล้วตราบนั้นโลกนี้ก็จะว่างจากพระอรหันต์นั่นเองเอาละอัตมาได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุด สุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบแก่การเรียนการศึกษาสํสาสหรับนักเรียนในนักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตรนี้และธรรมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อว่าธาตุกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็หมายถึงว่าให้ให้เราควรเจริญกรรมฐานสี่อย่าง คำว่าธาตุกรรมฐานนั้นก็หมายถึงว่าให้เราได้พิจารณาว่าธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมนี้เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสภาวะความเป็นจริงของสังขารอีกเหมือนกันธาตุทั้งสี่คืออะไรคือธาตุดินธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุ ธาตุน้ําก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุไฟเรียกว่าเตโชธาตุธาตุลมเรียกว่าวาโยธาตุเรียกว่าวาโยธาตุฉะนั้นในธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นก็เป็นปฐวีธาตุปฐวีธาตุนั้นที่เป็นภัยในกายก็คือมีผมมีผมมีขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางผื่นไตปอด ใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้เนี่ยได้เรียกว่าเป็นธาตุดินนะส่วนธาตุอันใดมีลักษณะอกอาบธ า, าตุอันนั้นเป็นอาโปธาตุอาโปธาตุนั้นก็เป็นที่เป็นภายในก็คือดีเสเลดหนองเลือดเหือมันข้นน้ําตาเปลวมันน้ําลายน้ํางูกไขข้อมูอเป็นต้นอนะอย่างนี้เรียกว่าธาตุน้ํา ธาตุอันใดมีลักษณะร้อนธาตุอันนั้นเป็นเตโชธาต์เตโชธาต์นั้นก็ที่เป็นไปภายหนก็คือไฟที่ยังกายให้อกอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายหโลกไฟที่เผาอาหารให้ย่อย <c oughs> อย่นี้เรียกว่าเอเตโชธาต์หรือว่าธาตุไฟนี่ธาตุอันใดที่มีลักษณะพัดไปพัดมาอธาตุนั้นเรียกว่าวาโยธาต์วาโยธาต์นั้น เป็นที่เป็นภายในก็คือลมพัดขึ้นเรื่องบนลมพัดขึ้นเรื่องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวหรือว่าลมหายใจอะไรย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวายโยาธาต์ก็คือาธาตุล ม, มการที่เรากําหนดพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงสักดิ์ว่ า, าธาตุทั้งสี่เท่านั้นคือเป็นแต่เพียงศักดิ์ว่าดินน้ําไฟลมเท่านั้นมาประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าธาตุกรรมฐานเ ร, ร, รียกว่าธาตุกรรมฐานฉะนั้นการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็คือว่าเราต้องพิจารณาที่ร่างกายร่างกายอร่างกายที่ธรรมุษเรียกกันว่า เ, าเรียกกันว่าสังขารก็ดีเรียกกันว่ารูปนี้ก็ดีนี่แหละคือประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ที่มาประชุมกันเข้าเพราะความพร้อมมูลและรองดองของธาตุทั้งสี่นั้นก็เกิดกําลังหรือเกิดอํานาจสําคัญขึ้นอย่างนี้เรียกว่า มโนและวัาใจนะมะโนมีสายอยู่ห้าสายที่เรียกว่าวิถีนะวิถีวิถีก็คือทางนั่นเองนะทางที่จะไปถึงมโนนะทางที่จะไปถึงใจอะไรเป็นทางทางแห่งใจก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นทางที่จะไปถึงใจแล้วมโนได้รับความรู้สึกทางวิถีทั้งห้านี้แล้วนะเมื่อได้รับวิถีทั้งห้านี้แล้ว แน่นอนที่สุดวิธีทั้งห้านี้รูปเสียงจินรับผลิตภัณอันเป็นเหมือนกับเงาฉายมาปรากฏอปรากฏแก่ใจ<ม>เรียกว่าธรรมะหรือว่าธรรมารมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจปราะสดที่สุดจะอะไรทําอะไรก็สําเร็จอยู่ที่ใจคนเราจะพูดจะทาําจะพูดก็ต า, ามจะทําก็ตามก็อยู่ที่ใจทั้งนั้ น, น, นเรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาใจเป็นนายกายเป็นเบา ียากว่ากาจะทําอะไรนี่อยู่ที่ใจสั่งทางนั้นอ่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่จะสั่งให้พูดก็อยู่ที่ใจทางนั้นไม่ใช่อยู่ที่อย่างอื่นฉะนั้นจึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอ่จะพูดจะจะทำอะไรนี้ใจเป็นผู้สั่งทางนั้นเลยฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าใจนี้เป็นสิ่งสำคัญอ่ในชีวิตของของคนเราอ่ฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วแ น, แน่นอนที่สุด ก็จะทําให้เหล่านี้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของสังขารนะรู้ตามความเป็นจริงว่าสังขารนี้เป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่นะเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสีเพราะเหตุนี้เองร่างกายอนะที่มาประชุมของธาตุทั้งสีจึงเดินได้พูดได้นะทําอะไรก็ได้ต่างๆนาะนาะแปกจากตุกตาที่เขาฝั้นไว้นะแปลกกนันนี่การกําหนดธาตุให้เป็นตรรฐานนั้นกําหนดอย่างไรอันนี้ก็ พระอัจฉริยะาจารย์บางสัท่านก็ได้สแสดงไว้เพื่อให้เข้าใจตามความเป็นจริงของร่างกายแล้วก็เป็นอุบายที่ให้เรากําหนดรู้ภาวะธรรมอย่างหนึ่งรู้สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นเหตุที่จะอให้เรานั้นกําหนดสภาวะธรรมอย่างอื่นต่อไปทีนี้การที่ได้ให้เรากําหนดท่ากรรมฐานกําหนดยังไงก็คือว่าให้รู้ว่า ร่างกายของเราที่ประชุมด้วยธาตุทั้งสีนั้นถ้าหากว่ายังมีเหตุมีปัใจจัยให้เป็นไปเกาะกุ้มกันเข้ายังปรผสมกันเข้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังดาเนินไปได้เรายังพูดได้ยังเดินได้ยังกินได้นอนได้ใช้ทํางานได้แต่ถ้าหากว่าธาตุทั้งสีนั้นหยุดเมื่อไรนะไม่กระทําเมื่อไรแต่ไปเมื่อไรแน่นอนที่สุดเราก็จะตายทันทีหรือมิฉะนั้นก็ธาตธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ทํางาน เราก็อาจจะเป็นอ้ำาพาดไปนะเป็นอ้ำาพาดไปก็ได้เดินไม่ได้เนี่ยบางทีสมองหบางทีเราก็ตายไปเสีกหนึ่งนี่แหละเพราะว่าธาตุมันพิการแล้วธาตุมันพิการฉะนั้นอผู้ถึงเรื่องธาตุสี่นี้ก็มีสิ่งที่น่าคิดอยู่หนึ่งเขบอกว่าให้เราสังเกตดูในตัวของคนเราถ้าคนไหนที่มีธาตุน้ําธาตุดินมากให้รู้ว่านั่นคนนั้นน่าจะมีอ่าผมบก S <S มักจะมีขนมากตามเนื้อตาตัวตางแขนเนี่ยจะมีขนมากเหลือเกินนั่นแสดงว่ามีธาตุดินมาก<น>อรียก ว, ว่าธาตุดินมีลักษณะแคบแ ข, แข็งทีนี้เราก็เรามานุกดูไอ้พื้นพันดินมันในที่ไหนนี่หญ้ามันก็ขึ้นมากหญ<น>้ามันก็ขึ้นมากมันลกรกต้นมไม้รากไม้รกหญ้าทุกเฟืองทุกอย่างนคนต้องมีธาตุดินห น, นักไปในธาตุดินก็รู้สึกว่าจะมีผมผมมากผมดกขนดกหน่อยแล้วก็ ถ้าหากว่มีธาตุน้ํามากอืก็สังเกตดูน้ํามันมากเป็นยังไงท่านลองนึกดูปีนี้น้ํามากน้ําท่วมหมดนะน้ําท่วมหมดน้ำว่าที่ไหนก็เป็นน้ําเตี้ยนล้ไปหมดเลยท่า น, นคนที่มีธาตุน้ํามากกา็ขอประทานโทษนะเป็นคนอัตคัดเกษานะเป็นคนอัตคัดเกษาคนยังไงคือคนอัตคัดเกษาคนอัตคัดเกษาก็คือคนผมน้อยนะคนผมน้อย แต่ว่าเวลาเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้กว่าคนผมน้อยเขาเรียกว่าคนหัวล้านขอประธานโทษถ้าไปกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดเขาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เรียกว่าคนที่มีธาตุน้นมากมันท่วมหมดเลยเตียนล่มไปหมดนี่ท่วมท่วงหญ้าตายต้นไม้ตายหมดนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคนมีธาตุไฟมากธาตุไฟมากก็ให้สังเกตดูรูปนี้ก็มักจะทําอะไรเร่งไวเร่องไว เลือดขึ้นหน้าไวอไฟมันเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีอารมณ์ถุงเฉียวอยู่บ้างมีอารมณ์ร้อนใจร้อนอนี่เรียกว่าธาตุไฟทั้งเกตดูไฟมันลุกไหม้อะไมันร้อนไวเกเลือดเร็วเลือเกินแหม่รู้สึกว่าชุมลมนี่บางทีไม่ไปตกมือจากกี่ชั้นเลยไม่หมดนี่แล้วก็ส่วงคนที่มีธาตุน้ํำมากธาตุน้ามากขอประทานโทษธาตุลมคนที่มีธาตุลมก็ให้ทั้งเกตดู พวกนี้ก็เลยทําอะไรรู้สึกว่าเฉยชานะเฉยชาจะพูดจะทําจะโดนจะเยืงปลายรู้สึกว่ามันเฉยเหมือนกับลมลอยนะแต่ไม่เหมือนกับลมพายุนะไม่เหมือนกับลมพายุมันเหมือนกับลมทั่วๆไปนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นธาตุลมอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลอันหนึ่งนะที่ได้ยินได้ฟังอนะท่านผู้รู้ท่านไม่เคยพูดมาฉนันก็เลยจำมาบอกให้ท่านทั้งหลายได้ รู้ได้ทราบกันทีนี้เราก็มาพิจารณาโดยว่าที่บอกว่าธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเรียกว่าธาตุดินธาตุดินตั้งแต่ผมข้นเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูนกดน้ำหัวใจตับไตปลอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกาเนี่ยถ้าหากว่าเรามาพิจารณาในการเจริญกรรมฐานอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราก็จะเกิดความดวนหนายในสังขาร อันนี้ก็เหมือนกับที่ได้แสดงไว้ในสติปัฏฐานในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าร่างกายของเรานี่มันเต็นบริ้ของสกรปรกเต็มไปได้วยของโสโครกนะเท่ากับว่าเราพิจารณากายยาคตาสติกกายยาคตาสติก็คือมีสติพิจารณาในกายว่าในร่างกายของเรานี่มันเป็นของอบูชของเน่าของเหม็นอยู่ตลอดเวลา ในท้างในไส้ของเราเนี่ยมันมีแต่ของหวกของน่าของเน้นมากมายกายกองถือว่าเป็นเหวที่ลึกยิ่งกว่าเหวภายนอกอไอเหวภายนอกเนี่ยมันยังมีโอกาสถมได้เต็มในไอเหวคือร่างกายของเรานี่กระเพาะของเรานี่มันถมไม่เต็มและในร่างกายของเราถือว่าเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าป่าช้าอะไรที่เราต้องฝังซากศพไว้ในในในตัวของเรานี่ยโอย้นานับประการ อตั้งแตง่งวัวควายกุ้งปูปลาหนูเห็ดเป็ดไก่สารพัดเลยเราสังองไปนะ่ะแล้วเราลองคิดดูว่าไอ้ที่เราเอาซากศพลงไปในนั้นน่ะมันไปรวมกันเข้าเนี่ยมันเกิดบูดมันเกิดเน่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเหม็นยังไงมันจะเหม็นขนาดไหนเนี่ยมันต้องเห ม, ม, ม็นมากเหม็นมากเลยเกินเหม็นสาบเหม็นสางเห ม, ม็นบูดเหม็นเ น, น่าอุ๊บหน้าขยะขยงะนี่แหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็น สังขารตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรือยิ่งไปกว่านั้นไอ้สังขารของเรานี่มันก็เป็นรังแห่งโรคอ่าบรรดาโรคต่างๆก็ไปประชุมกันอยู่ที่นั่น่ะนะเพราะมันก็กินเนื้อเลือดของเรากินอาหารที่เราได้กินเข้าไปเนี่ยมันก็แย่งออกไปเนี่สายรพัดโรฉะนั้นบางครั้ง เ, เวลาเกิดโรคนี้ทางแพทย์ทางปรงพยาบาลเขาจต้องผ่าตัดเนี่เพื่อเปลี่ยนอันนั้นหนาบางครั้งมันชํารุดมากเนียมันทุบชื้น ม, มาก อี่ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรานี้ได้เจริญกายยัคตาสติมีสติพิจารณ์กายเรากายของเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นภาชนะที่ใส่ของไม่สะอาดที่มีดีสเลตหนองเลือดอะไรน่าเกลียดน่ากลัวมากะทีนี้มาในประการที่สองธาตุอันใดที่มีลักษณะเอบอับธาตุนั้นก็เป็นอาโปธาตุ เ, เป็นอาโปธาตุอาโปธาตุก็คือธาตนะุน้น อะไ ร, รอะดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลมันน้ำลายน้ำมูกไขข้ออะไรพวกนี้ถือว่าเป็นธาตุธาตุน้ำพันนั้นเลยแล้วเราก็ลองพจะมาดูแค่เราขากเสเลตในขอประทานทอดถมออกไปอย่างนี้แหมรู้สึกว่ามันก็น่าขยะขยงั้นนะน่าขยะขยงกันทั้งที่เป็นของเรานั่นแหละเราก็ขยะขยะฉะนั้นในตัวของเรานะ่ยมันมีอย่างนี้ทั้งนั้น มีอย่างนี้ทขนั้นเนี่ยน้ำมูกไอ้ทั้งายทุกสิ่งทุกอย่างน้ำตาที่เราว่ามันออกมาใสใสจริงจริงมันไม่ใสหรอกนะ ม, มันออกมาที่ตรงคือาตามีทางนั้นแหละเนื้อ ม, มีทางนั้นหรือว่าเมือของเราที่มันออกมาเนี่ยมันก็รู้วนแต่เป็นของสกรปรกทางนั้นเลยเนี่ยเราบางครั้งสังเกต ด, ดูว่าเมือออกเราเอากระดาษขาวๆไปเช็ดเนี่ยมันจะตื้อนมันจะดำมันจะสกรปรกมากนะสกรปรกมากฉะนั้นถ้าเราพิจารณาโดยโดยความเป็นจริงแล้วแน่นอนที่สุด ก็จะทำให้เราเดือนนายนะเกิดเดือนนายในสังขารนะเกิดเดือน่ายในสังขารเราก็ละเราก็วางเราไม่แบกมันไว้เราไม่ถือมันไว้เราไม่ยึดมันไว้ไม่ถือไม่ยึดไว้ด้วยใจนะไม่ได้หมายว่าถือไว้ด้วยมือไม่ได้ถือไว้ด้วยใจใจเราก็ไม่เป็นทุกข์เราก็ยังมีแต่ความสุขนะในประการที่สามก็คือว่าธาตุอันใดที่มีลักษณะร้อนธาตุอันนั้นนี่ก่เตโชธาตุอนะ ในโจธาตุเองที่บอกไว้แล้วว่าก็ได้แก่ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นนะไฟที่ยังกายให้ซุบโรงไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยนะร่างกายของเรานี่ต้องบอกว่าไม่มีไฟภายในที่ยังกายให้อบอุ่นเนี่ยเราก็เห็นใจแย่นะพอถึงหน้าหนาวเขาก็ไม่ไหวหรอกนะไปไม่รอดนะหนาวตายเลยนะถึงหน้าหนาวเขานีดบนกันตายไอ้ขนาดเรายังมีไฟภายในมั่งนี่ก็ยัง บ่มกันแทบตายบ่มกันมากเราสังเกตดูเราอยู่ในกรุงเทพนี่กับอยู่ทางภาคเหนือนี่รู้สึกว่าโคนใต้าทานจะผิดกันเพราะอะไรเพราะคนภาคเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยเขถึงหน้าหนาวนี่มันหนาวมากฉะนั้นเขาเคยชินอยู่นี่รู้สึกว่าเขาจะอยู่กันได้อยู่กันได้แต่ถ้าหากว่าคนในกรุงเทพได้รับอุณหภูมิที่หนาวถึงขนาดนั้น นดมาเหลือ5องศานี่หรือ10องศานี่โอ้รู้สึกว่าตายกันมากกว่ารุงเทพเพราะไม่อุณหภูมิในร่างกายปรับตัวกันไม่ทันแค่ลัมาเหลืออ่า12 13, 13นี่ก็ยังคนเฒ่าคนแก่ในกรุงเทพนี่ตายกันเยอะตายกันเยอะแต่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานบางที่เขานับเลยนะนบับทั้งนับ3นับ4นับ5นับ6ก็มีเป็นนืำแข็งนะปลาเนี่จับได้เลยนกที่เกาะตามต้นไม้ก็พลัดลงมาเลย ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ในภาคกลางก็เห็นท่าจะแย่เหมือนกันฉะนั้นเราเนี่ยังมีไฟภายในยังช่วยทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นแล้วก็มีไฟอีกประเภทหนึ่งก็คือทําให้ร่างกายของเราซุบเซงไปอซุบเซงไปเสื่มไปอแล้วก็ยังมีไฟอีกประเภทหนึ่งก็คือทําร่างกายของเราให้กระวนกระวายแล้วก็มีไฟประเภทหนึ่งก็คือเผาอาหารให้ย่อยเราไฟท่าง ถาว่าเรากินไปมันไม่ย่อยก็เห็นท่าจะแย่งานที่เกิดท้องอุดท้องเฟ้อ เ, เนี่ยเราจะต้องใช้ยาช่วยเพราะว่ามันก็เบียดเบียนทําให้เรานั้นเป็นทุกข์นะไม่มีความสุขเลยนี่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พิจารณาแน่นอนที่สุดก็จะทําให้เรานั้นละตัวยึดมั่นถือมั่ น, นในในสังขารคือร่างกายของเราเสียได้อประการที่สี่ก็คือว่าธาตุอันใดที่มีลักษณะพัดไปพัดมาธาตุอันนั้นเรียกว่าวายโยธา ลายโยธาที่เป็นไปภายในก็คือลมที่พัดขึ้นเลูกบนลมพัดขึ้นลูกต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเนี่ยถือเป็นลายโยธาทั้งนั้นฉะนั้นให้เราลองสังเกตดูเพราะมีธาตุลมเนี่ยทําให้เราต้องเคลื่อนไหวไปไหนได้อ่าปากได้กินอาหารได้พูดได้ทีนี้การที่เราได้กําหนดพิจารณาอย่างนี้ก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงสักด์แต่ว่าธาตุมันเป็นเพียงสัก์แต่ว่าธาตุ ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงนี้หละมันสำคัญอยู่ตรงนี้คืออย่าไปติดในร่างกายสังขารของตัวเองอย่าไปหลงในร่างกายสังขารของตัวเองนอย่าไปยึดมั่นในสังขารคือร่างกายของตัวเองว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวกูของกูถ้าเรายึดขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาไหนแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ทุกข์เราก็จะมีแต่ทุกข์นี่แต่ทุกข์นี่แต่ทุกข์เราะฉะนั้น ขอให้เราทุกคนจงพิจารณาให้ให้ท่องแท้ด้วยปัญญาว่าตัวเราไม่มีของเราไม่มีอันนั้นมันมีโดยสมมุติน่ะมันมีโดยสมมุติจริงๆแล้วมันไม่มีท่า น, นเราอย่าไปติดสมมุติที่เราสมมุติกันก็เพื่อให้เรียกขานวันชใช้ได้สะดวกว่าชื่อในกอนะในขอนะ่ะมันเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชาย น, นี่มียศตาแหน่งเปนชั้นนั้นชั้นนี้ก็เพื่อสะดวกในการปกครองกันเพื่อสะดวกในการจะเรียกขานวานาันใช้ เรียกชื่อกันหรือว่าทำธรรมเนียมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมถ้าหากว่าเราไม่สมมุติเป็นชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเราก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใหญ่เมื่อต่างคนต่างเป็นใหญ่กันแน่นอนที่สุดนเมืองก็เกิดความยุ่งเหยิงเกิดความเราสั่งราสายจะหาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสมมุติทางนั้นเลยฉะนั้นเราไม่ควรปิดสมมติไม่ควรติดสมมุติ กาไม่ติดสมมติก็คือว่าให้เราเรียนรู้ธาตุสีนะ่การเรียนรู้ธาตุสีก่ก็โดยมุ่งหมายจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เราเข้าใจความเป็นจริงของสังขารคือร่างกายว่าเป็นแต่ธาตุประชุมกันนะเป็นอุบายกำหนดรู้สภาวะธรรมอย่างอื่นต่อไปอีกนะฉะนั้นผู้ที่จะเรียนธาตุากรรมฐานหรือนะว่าจะเจริญนธาตุกรรมฐานตนะ้งข่มจิตลงในสมัยที่จิตเกิดความสร้างน แล้วก็ยกจิตขึ้นเมื่อจิตหดถูกแล้วก็ประคองจิตในสมัยที่เอจิตนั้นเป็นไปโดยสม่ำเสมอนะเป็นสม่ำเสมอแล้วก็พึ่งทําจิตมันให้องอาจนะให้ควรแก่การงานนะให้ควรแก่การงานแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาการที่เราเดินได้พูดได้นะอันนี้ก็เกิดจากธาตุประชุมกันนะมาพร้อม ม, อมูลกันมาปรองดองกัน แม้แต่ตุกตาก็ยังรู้จักเดินได้นะตุกตาคนตุกตาไขาลานต่างๆรู้จักเดินได้หีบเสียงหีบเพลงเทปเพลงต่างๆก็ยังพูดได้ยังร้องเพลงได้เนะครื่องจักรกลก็ยังเลื่อยไม้ได้ยังเครื่องซืข้าวก็สีข้าวได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีวิญญาณเนะีอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาได้คิด ป, ประดิษฐ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้มันมาประชุมพร้อมกันนะจากเหตุปัจจัยในหลายอย่าง ทีนี้ก็จะเปิดกล่าวไปยิ่ถึงสังขารคือร่างกายที่มีวิญญาณแน่นอนที่สุดเมื่อา่าทั้งสีมาประชุมกันเข้าก้น่อมจะกินได้เดินได้พูดได้หันยืนเดินนั่งนอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละถือว่าเป็นเรื่องของท่าทั้งสีเท่านั้นนะเป็นเรื่องของท่าทั้งสีฉะนั้นกา็จะให้เราพิจารณาว่าสภาวะที่อยู่โดยธรรมดาอันจะแยกออกไปไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าท่านะเรียกว่าท่าทีานี้ ธาตุก็คือกระดูกธาตุมันะคือกระดูกเนื้อลูกนะความอบอุ่นหรืออากาศตรงนี้เป็นต้นเรียกว่าธาตุทีนี้ธาตุเหล่านั้นเมื่อคุมกันเข้ารวมกันเข้ารวมแต่งเป็นมนุษย์ขึ้นตรงนี้เรียกว่าสังขารคือร่างกายนี่ถ้าหากว่าคนจะถามว่าธาตุกับสังขารนี่เหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยเราก็อาจจะตอบว่ามันเหมือนกันอ่านะเหมือนกันอนะหรือบางคนอาจจะตอบว่าต่างกัน แต่จริงๆแล้วก็มันต่างกันนะมันต่างกันว่าธาตุานั้นหลเอาสภาวะที่มีอยู่โดยธรรมดานะจะแยกออกไปไม่ได้แล้วเจนกระดูกไม่เราแยกออกไปไม่ได้เนื้อเลือดเนี่ยอย่นี้เราแยกไปไม่ได้นี่แหละมันเป็นธาตุแต่และอย่างนะทีนี้สังขารนั้นหนายถึงธาตุเหล่านั้นแหละธนะนะาตุเหล่านั้นแหละมาคุ้นกันเข้ามารวมกันเข้านะให้เป็นมนุษย์รวมแต่งขึ้นเป็นร่างกายเป็นรวมเป็นนุษยนะ์นีอย่างนี้เลยเรียกว่า เป็นสังขารนะเป็นสังขา ร, ขารทีนี้ก็เราจะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ที่บำเพ็ญท่าสมาทานานั้นจะต้องพ้นกําหนดพิจารณาใจนี้ให้เห็นเป็นเพียงแต่ว่าท่าสี่ลมนน้ําไฟลมประชุมกันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นเจตพงจารณอนนันหนึ่งรประชุมกันในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลียนแปลในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดเมื่อได้บำเพ็นอย่างนี้แล้วย่อมได้อานสงส์ ก็คือว่าถอนอัตตสัญญาคือความยึดมั่นในตัวตนด้วยอำ น, นาจตันหามานาทิฏฐิสียได้อันนี้เป็นอุบายกำจัดวิจิกิจฉานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณเพราะว่าคนที่มีความลังเลสงสัยในบุญในบาปในสังขารคือร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าไม่จเจริญจตุท้าตุวัฐานแล้วก็จะทําให้กำจัดป่าบวิจิกิจฉาให้หมดใชได้ ก็จะทําให้เราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเอสังขารคือร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ควรจะมายึดนั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ควรนั่นเป็นเรานั่นเป็นเขาขึ้นมาถ้าหากว่าเรายึดนั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นเขาเมื่อไรแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องแบ่งกันเป็นทักเป็นพวกแบ่งกันเป็นทักเป็นพวกแล้วยิ่งไปกว่านั้นใครมาด่ามาว่าเราเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์เกิดความหยุดนอน เรียกว่าถึงเดี๋บางทีก็อาจจะมีการาตีชกต่อยกันได้นะตีชกต่อยกันหรือฆ่ากันจนถึงที่สุดฉะนั้นอันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องอสังขารคือร่างกายตามความเป็นจริงนั่นเองนะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วก็สบายฉะนั้นก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่บอกว่ามีกรรมฐานอะไร กรรมาฐานอะไรที่เป็นที่สบายแก่จริญของคนทั่วไปอันนี้ก็คูท่าสีนั่นเองทถ้าทออกให้ครบเครื่องก็คือมีอารมปก ร, รมฐานอ่ารูปก ร, รมฐานก็คืออารมูปฌานสีแล้วก็ท่าทั้งสี่หรือเรียก อ, อย่างหนึ่งว่าภูจักสินณภูจักสินก็หมายถึงเสิยงที่มันเกิดมีเกิดขึ้นเองเกิดเป็นขึ้นเองลิน้ำไฟลมเนี่ยเกิดขึ้นเอง นี่แหละเป็นที่สบายแกคนที่มีจริญทั้งปวงนี่หลายถึง่าคนจะมีราคะจริญโทสะจริญโมหะจริตหรือวิตกก็เจริญศรัทธาจริญภพที่จริตเนี่ยหากว่าอะไเจริญโรคประชามตีหรือว่าธาตุกรรมฐานแล้วผู้นั้นก็สามารถที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็จะมีจะเกิดสติเกิดปัญญารู้เท่าทันจะทําให้ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าการที่เราได้ จะโดนอารมณ์รกรรมฐานสีก็ดีภูตกรรมฐานสะสม ส, สีก็ดีถือว่าสามารถจะปราบกิจมันนั้นให้สงบระงับได้เหมือนกับโอสถบางขนานใช้ได้ทั้งเย็นใช้ได้ทั้งร้อนนะเพราะเป็นของสุ ข, ขุมฉะนั้นอ่านี่ก็เป็นการยกตัวอย่างให้ดูทีนี้ก็ดินน้ำไฟเนี่ยจัดเป็นรูปก็ควรนะถ้าคนจะถามว่าไอ้ดินน้ำกับไฟเนี่ยที่มันเป็นรูปเราก็มองเห็นดินเนี่ยเราก็มองเห็น น้ำเราก็มองเห็นไฟเราก็มองเห็นว่ามันเป็นรูปนะแต่ทําไมลมจึงจัดเป็นรูปอีกนี่อันนี้เรามองไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นซึ่งถ้าใครมาถามนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คงจะตอบยากเหมือนกันว่าทําไมลมจึงจัดเป็นรูปนะเพราะว่ามองไม่เห็นจริงๆแล้วมันเป็นสุขุมมารูปนะมันเป็นสุขุมมารูปดูพลิ้วพลิ้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแท่จริงแล้วมันก็เป็นรูปนะเพราะมันได้แก่อาการเพลื่อนไหวของอากาศสัทธาที่เป็น ที่เป็นโลกปรมานูโนโลกปรมาโูโลกอานุปรมาโ น, า น, า น, นด้วยอำ น, นาจแห่งดินน้ําไฟกระทบกันหมุนเวียนกันไปเองเนี่ยอันนี้แหละจะเรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุลมฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นธาตุมันเป็นมันเป็นสังขารนี้พูดยังไงวะ มันเป็นรูปอย่างไรนะมันเป็นรูปอย่างไรแต่ความจริงว่ามันก็เป็นรูปจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นสุ ข, ขุมมารูปเป็นรูปที่ละเอียดไปหน่อยนะเราก็เลยมองไม่เห็นฉะนั้นการที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องท่าทั้งสี่ก็จะทําให้เรานั้นไม่หลงยึดม่นถือมั่นในตัวเราตัวเขานะแต่การที่สอนก็ทําให้เรานั้นเข้าใจสภาวะธรรตามความเป็นจริงนะแต่การที่สามก็จะทําให้เรานั้น Ios, มีความสุขกายสบายใจอาการที่สี่ทำใ ห, ия, ทให้เราเกิดความด่วหน่ายใ น, นสังขารเดียวกว่าจะเกิดมิจฉาญาณขึ้นอะการที่ห้าเมื่อมิจฉาญาณเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนที่สุดนี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เท่ากับว่าเรานี้ได้เจริญสติปัฏฐานได้เจริญสติปัฏฐานว่านี่แหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์นี่แหะจะเป็นทางแห่งนักผลวิพาน ฉะนั้นการได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องภาคทั้งสี่มาก็พอสมควรกับเวลาขอความสุขความสวัส ด, ดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร